สวัดค่ะทานผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆของเช้าวันที่24ตุลาคม2556มีบรรยากาศฝนตกเล็กน้อยอากาศชุ่มชื้นทำให้รู้สึกอยากพักผ่อน และนั่งสมาธิแบบเงียบเงียบหนูจึงได้เข้ากรรมาฐานใช้คำบากรรมสัมมาสัมพุทธะปัจจิมาสัมพุทธะเพื่อตอดจิตกายภายในไปท่องเที่ยวอย่างจุดต่างๆและรับธรรมะ มาจากโลกทิพย์นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเรามาฟังกันว่าวันนี้หนูจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวอย่างที่ไหนและจะเป็นธรรมะในเรื่องของอะไรกันบ้างเชิญฟังได้เลยจ้าสัมมา สมุทธาปัจฉิมาสมุทธา a คนอิ่มน้อยได้ท่องคำบริกรรมจนถอดกายภายในและกายภายในของคนอิ่มน้อยก็ล อ, อยขึ้นไปสู่ดินแดนแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นหอแก้ว ที่พ่อพระอินทร์ท่านส่งงานเป็นประจำหนูจึงเปิดประตูและก็เดินเข้าไปเมื่อหนูเดินเข้าไปในนั้นหนูจึงนั่งลงคุกเขา่ากราบนวัส ก, การพ่อพระอินทร์และพูดว่าควรอิ่มน้อย กลับนวส ก, การพ่อพะ อ, อินเจ้าขาพ่อพะยินเจ้าขาวันนี้คนอิ่มน้อยขึ้นมาข้าเฝ้าเพื่อที่จะทูลถามถึงการสร้างบุญในจุดต่างๆและอนิสงของการสร้างนั้นจะได้อะไร หากว่าเราสร้างบุญนั้นไปเมื่อคนเอ็นน้อยทูลถามพ่อปะอินจบพ่อปะอินท่านจึงตอบกลับมาว่าพ่อก็จะตอบเป็นหัวข้อหัวข้อไปให้กับหนูเช่นเดียวกันหนูจึงได้ทูลถามพ่อปะอินไปว่า เช่นดังทุกวันนี้หนูเดินทางไปที่ไหนก็มักจะเห็นเจดีอยู่บนยอดดอยแทบจะทุกดอยเลยด้วยซ้ำไปและเป็นจุดต่างๆแต่ละจุดแต่ละจุดต่างกันไปเพราะเหตุดใดล่ะเจ้าคา ถึงได้มีการสร้างเจดีตามจุดต่างๆ ต, ตามหุบเขาต่างๆเต็มไปหมดไม่ว่าจะมองไปทางไหนขับรถผ่านไปทางไหนก็มักจะเห็นเจดีสวยๆเหล่านั้นเพราะอะไรล่ะเจ้าคะ ในยุคนี้ถึงได้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเยอะมากและอ น, นิสงของการสร้างเกิดอะไรหลังจากการสร้างเพื่อสิ่งใดและเจ้าคะเมื่อหนูทูลถามต่อพ่อพอินท่านจบเป็นหัวข้อใหม่พ่อพอินท่านจึงตอบกลับมาว่า เกินอิ่มนะ้อยการสร้างเจดีย์นั้นก็ถือเป็นการสร้างที่กลับบ่ยบูชาสักระ บ, บูชาแก่เหล่าเทวดาเทพและนาครวมถึงมนุษย์และจิตวิญญาณที่ยังไม่หลุดพ้นทุกคนก็จะได้เห็น ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและจะได้ดึงดุดคนให้ร่วมสร้างบุญสร้างบารมีในการร่วมสร้างเจดีย์และการสร้างเจดียด์ในแต่ละจุดนั้นถ้ามีเหตุของมันซ่อนอยู่ข้างในมุกตั้งแต่สมัยเมื่อก่อน ยุคสมัยในการก่อนที่ยังไม่มีเป็นบ้านเป็นเมืองที่ยังไม่มีเขตแดนเป็นประเทศชาติก็จะมีเจ้าเป็นเจ้าที่อยู่ตามจุดต่างๆแต่ละจุดของเจ้าเก่าเรียงบางเก่าก็มักจะก่อเจอดียขึ้นมาเป็นเจ้า ของเมืองเก่าเมืองแก่และต่อมาก็จะมีการสู้รบแก่งแย่งชิงดีแย่งเมืองและก็แบ่งแยกออกมาเป็นประเทศชาติและแต่ละจุดนั้นก็มักจะมีจิตวิญญาณที่ตกคา้างและก็ตาย อ, อยู่ในจุดต่างๆ เยอะแยะมากมายเพื่อรอการอนิสงบนของการสร้างจากเจ้าวังเก่าเจ้าของเก่ากลับมาสร้างและกลับมาหนุนบารมีปลดปล่อยจิตอิญญาณเหล่านั้นและอีกอย่างหนึ่งก่อนทิตประเทพราินั้น จำนได้ก็ะจะมีการตู้ล็กฆ่าพันกันเพื่อนไปด้วยเลือดแต่ละจุดก็มีคนตายเยอะแยะมากมายที่เชื้อันยมีการนองเลือดไว้เยอะแยะมากมายมีสุดต่างๆเพราะฉะนั้นในยุคนี้ก็ถึงรอบแล้ว ที่บ้านเมืองก็เป็นเียตเป็นแมนและเป็นยุบแห่งความสงบกยุดแล้วเป็นจุดอกแล้วที่คนเก่าแก่โบราณคนที่มีความเกี่ยวพันกับจุดต่างๆจะหมุนเวียนกลับมาสร้างจุดต่างๆของตอนไป ตามบุญตามบรารมีของแต่ละคนที่เคยมีมาก่อนนั้นแช่นพระบงางลูกอดีตการก่อนนั้นอาจเคยมีความเกี่ยวพันกับเจดีในจุดนั้นนั้นหรือสถานที่จุดนั้นนั้นจึงํำเป็นที่จะมีเหตุ ต้องไปกลับมาบวชและมาสร้างและในรอบของการสร้างก็จะมีผู้คนที่อาจเคยเกี่ยวพันในจุดนั้นนั้นมาในอดีตการก่อนที่มีบุญเก่าร่วมกันมาและเรียนเข้ามาร่วมกันหนุนร่วมกันสร้างจนก่อเกิดเป็น การที่ตัดสิทเป็นพระชาติเจดีขึ้นมาได้และการที่สร้างพระชาติเจ ด, เดีสําเร็จใเแต่ละจุดหนึ้งก็ถือเป็นการชำระพื้นที่พนนั้เป็นที่ใหม่เช่นังยุคสมัยก่อนที่เจ้าในแถบได้แถบหนึ่งนั้นจะต้องมาสร้างเจดี เป็นเขตแดนเป็นที่กราบไหว้บูชาของตนแต่ในขณะนี้ถ้ากลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปเป็นประเทศ้าติไทุกคนก็มาร่วมใจก่ขอขึ้นมาเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่คืน เจดีขึ้นมาแล้วไม่ว่าสียิย่ยานที่ถูกค่าดอายอยู่ในสนามก็ดีตายและจิต อ, อยู่ในภพคุมิอันใก็ดีก็จะได้รับอนิสงสของการตั้งเจดียนั้นนั้นกามทั้วได้เปโศกหมักหลุดพ้นไปสูสิ่งที่ดี และก็ถ right ือเป็นการชำระตามสุดต่างๆไปด้วยในรอบนี Then, yle, ้และเช่นดังเมืองไทยที่หนูอยู่ตอนนี้ก็จะมีการสร้างบุญสร้างเจดีย์สร้างพระตามจุดต่างๆคูบเขาต่างๆเต็มกันไปหมดขอกำลังต้องการ ชำระแม้ล้างเมืองไทยให้เป็นเมืองพุทธเช่นใดเมืองนี้จะหมายก่อนก็จะบุกเด้ายึดเมืองไทยได้และไม่ว่าประเทศใดก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าพ่อก็จะยกตัวอย่างมาให้เช่นนาประเทศที่กําลังจะสำเร็จในการชาระบา จัดประเทศแผ่นดนดังชาไทยสมัยก่อนนั้นอาจะมาเป็นประเทศชาติได้ก็จะมีการลอกล้าข่าตันกันต้างดีดดาบต่าเยแย่มากมายป่าจะกาเกิดขึ้นมาเป็นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นลุกนี้ก็คงจะถึงรอบแล้ว พวกเรชาวไทยทุกคนจะกลับมาร่วมสร้างบนสร้างบารมีชั้นละกัสของประเทศโดยการสร้างพระเจ้าเจดียวัตถุสิ่งของประจิตต่างๆเพื่อให้มาเป็นอนิสงส์บุญกดป่อยยืนยามที่จิตค้างอยู่หลานิ้งให้เขอได้ดู้สึกปล่อยและให้เมืองไทยเป็นเมืองพุท เนเมืองที่อุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ต่อไปในการข้างหน้าเพื่อให้สืบท่อไปอย่างลูกหลานต่อไปเพื่อพ่อพระเอินทร์่านทดจบอยุดยืนตึมถามพระองค่มต่อไปอีกว่าพ่อพระอินทร์เต้าจาหลุปแล้วอนิสงส์ของการตั้งเจดี ก็จะได้ปลดปล่อยเด็ิญญาณอ้างเ่างชาติที่เป็นนักลบโบราณและได้ทร้างบารมีของเจ้าวังกรกลับมาฟื้นฟูในการสร้างใหม่เพื่อให้เกิดมิมิตแห่งความดีกับประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมละทรายคะเมื่อหนุนทูลหาพระองค์ท่านจบพระองค์ท่านจึงนทรงยิ้ม แล้วก็ตอบกลับมาว่าใแล้วล่ะกเตือน้อยแล้วไหนล่ะมีคาถามอะไรอีกใช้หากไม่มีแล้วพอก็จะได้ทำงานต่อไปเอพระองค์ท่นโคตรตกหนูฉันได้ชวนถามพระองค์ขึ่ตอบอีกว่าก่อไปยิงเป้าขาแล้วองค์ร เจ้าคะในขณะที่อยู่ตนที่ไหนเาก็มักจะเห็นองค์ารใหญ่ที่ตั้งอยูกลางหุบเขาเยอะแยะมากมายช่นียวกันการสร้างองคพระตามจุดต่างๆและอันนี้ส่งสลการสร้างองค์พะนั้นจะก่อเืิอเป็นบุญอะไรกลับมาละเจ้าคะ เมื่อนูถามพ่อพระอินทร์ท่านจบพ่อพระอินทร์ท่านจึงตอบกลับมาว่าอา น, นิสงค์ของการสร้างองค์พระใหญ่และจุดประสงค์ของการสร้างองค์พระในจุด ต, ต่างๆก็เช่นเดียวกันเพื่อให้การก่อสร้างขึ้นมานั้นในจุด ต, ต่างๆนั้นก็ จุดประสงค์ก็เพื่อให้ได้มีคนมาล่วมสร้างบุญสร้างบรารมีและให้เทวดามนุษย์นาคจิตวิญญาณได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชาเช่นเดียวกันแต่พระพุทธรูปนั้นก็ทรงหมายถึงบารามีจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหามี รูปของพระองค์ท่านอยู่แล้วสถิตณที่ใดที่นั่นก็จะเกิดความสงบล่มเย็นด้วยพุท ธ, ธาบารมีจากพระองค์ท่านเปรียบเสมือนให้เรามองไปทางใดก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั่งตามตามจุดต่างๆอย่างน้อยๆยก็จะทำให้คนเกรงกลัวต่อการสร้างบาปได้บ้าง และหากใครที่จะปรารถนาในการสร้างบุญสร้างบารมีก็จะได้น้อมรับบารมีจากพระองค์ท่านตามสุดต่างๆได้การที่จะขึ้นองค์พระในจุดต่างๆได้นั้นก็ยอมที่จะได้รับหน้าที่และมอบหมายมาจากทางโลกลทิพย์วาทินี่ ควรจะมีองค์พระนั่งอยู่ดอยนี้ควรจะมีพุทธรูปนั่งอยู่ต่างจุดต่างๆแต่ละที่ก็ล้วนแล้วแต่จะมีเหตุมีจุดประสงค์ของโลกทิพย์ที่ส่งลงมาให้มนุษย์หรือพระสงฆ์ได้ทรงรับหน้าที่และได้ไป น, นำสร้าง ก็เป็นกุศโลบายในการดึงดูดคนให้เข้ามาทำบุญและรู้จักกับพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงคนให้เข้าถึงพระธรรมคำสอนได้ดังเช่นหากเด็กตัวเล็กๆ เ, เห็นรูปพระพุทธเจ้า ปั้นอยู่นั่งอยู่บนยอดดอยใดดอยหนึง่งก็ย่อมที่จะถามว่านั่นคือรูปอะไรและก็ย่อมที่จะมีคําตอบและคําตอบเหล่านั้นก็ย่อมที่จะทอดอยาวไปถึงพระธรรมคําสอนก็จะสามารถซึมซับไปถึงจิตของเด็กๆและผู้คนที่พบเห็นด้วยบารมีจากพระองค์ท่าน จะดึงดูดทุกคนให้เป็นคนดีละเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้โลกทิพย์จึงมีการจัดสรรและเตรียมการให้มีการก่อสร้างองค์พระตามจุดต่างๆพอเหมาะพอสมควรไปในยุคนี้จึงมีการก่อสร้าง องค์พระเล็กองค์พระใหญ่พระธาตุเจดีสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆเต็มไปหมดเมื่อพ่อพระอินทร์ำพุรทธกหนูจึงทูลถามพระองค์ท่านตอบไปอีกว่าเพราะพรเอินเศร้าขาถ้าอย่างนั้นหนูจะยืีคคำถามอีกคำถามหนึ่ง เป็นคาถามสุดท้ายนะเต้าค้าสำหรับวันนี้และตอนนี้ที่ที่หนูอยู่พุทธภูมทยานพุทธวันการที่หนูกำลังสร้างองค์พระใหญ่ร่วมกันกับญาติบุญทั้งหลายผู้ที่แวะเวียนเข้ามาสร้างก็ดี ผู้ที่มาบุกเบิกมีการสร้างคูบาอาศารทุกๆคนที่ได้ร่วมกันมาก่อสร้างกันมานั้นได้รับผลของการสร้างยังไงหรือเจ้าค่ะผลของบุญนะเจ้าค่ะแล้วองค์พระนี้มีการ มีการวางแผนจัดการยังไงจัดทางโลกชิปให้เกออิดการสร้างขึ้นมาและเป็นมายังไงล่ะเจ้าขาพ่อพระอินโยดทุนถามพ่อพระอินท่านศพพ่อพระอินท่านจึงตอบกลับมาว่าควรอิ่มน้อยองค์พระใหญ่ พระพุทธสี่เชียงของที่หนูอยู่นั้นเป็นองค์พระที่ได้รับมอบหมายมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงให้ลงมาสร้างและพ่อนี่แหละเป็นคนที่สั่งให้กเกิดการสร้างและวางแบบแผนในการสร้าง องค์พระองค์นี้ขึ้นมาเพราะเป็นพระที่อยู่ติดกับชายแดนและบารมีจะสามารถปกคลุมไปถึงสองสามประเทศได้และจะเป็นที่กราบไหว้สัการะของผู้ที่มาจากต่างแดนมากราบไหว้บูชาได้จึงมีการ ลิเริ่มในการก่อสร้างขึ้นมาและในยุคสมัยหนึ่งก็เช่นเดียวกันพ่อเองก็เคยเป็นเจ้าที่อยู่ในที่นั่นเหมือนดังเมื่อกี้ที่พ่อได้พูดกับหนูไว้ว่าในยุคก่อนๆก็จะมีเจ้าตามจุดต่างๆและในยุคนี้ก็ถึงรอบแล้วที่เจ้าเก่า เมืองแก่จะวนกลับมามาบุกเบิกแล้วก็สร้างสถานที่ที่ตนได้เคยมีความเกี่ยวข้องกันใหม่พ่อจึงต้องมีคำสั่งให้มีการริเริ่มและก่อสร้างขึ้นมาและอันนี้ส่งในการสร้างองค์พระใหญ่นี้ รางวัลของการสร้างพ่อก็จึงให้ได้แบ่งออกมาเป็นชิ้นส่วนเพราะเป็นองค์การจากพ่อเองให้เป็นชิ้นส่วนออกมาชิ้นละ40ิบาทหากทำบุญสร้างพระองค์นี้หนึ่งชิ้นก็จะได้วิมานแก้วหนึ่งหลังในโลก เพื่อนอยู่กับบุญบารมีของใครจะได้อยู่ในสวรรค์ชั้นใดและอยู่ตามจุดต่างๆตามบุญบารมีของผู้ที่จะร่วมสร้างเพราะฉะนั้นการสร้างองค์พระใหญ่ในคราวครั้งนี้จึงจะต้องเป็นปัจจัยที่มาสร้างเป็นพันเป็นหมื่น และมีคนเยอะแยะมากมายเรียนเข้ามาในการสร้างก็ดีและทุกคนที่เข้ามาร่วมสร้างตั้งแต่ลิเริ่มในการก่อก็ต่างได้รับอา น, นิสงส์ของบุญไปตามตามกันเช่นดังที่บ่อยๆครั้งหนูก็ได้ให้คนนั่งกรรมฐ า, านขึ้นมาทีิสูจน ว่าบิมานแก้วนั้นมีจริงไหมและก็ได้รับคำตอบไปใช่ไหมละ่ละเมื่อพ่อพระอินทร้ทรงพูดจบหนูจึงยิ้มแล้วก็กราบนมัส ก, การขอบพระคุณพ่อพระอินทที่ทรงให้พระธรรมคำสอนและให้คำตอบกับหนูและได้กลับมาเปิอแก้พระธรรมคำสอนต่อไป